ท, ท่านเองก็จะต้องตายหาตายไปแล้วท่านจะไปไหนก่ที่จะมาเกิดท่านเป็นใครมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องมาทำรูปนีน้ท่านกําลังหลงทางอยู่หรือเปล่าถ้าท่านปัดสินใจที่ถูกต้าว่าตัวตนของท่านนั้นเป็นใครมาจากไหน มาทำอะไรจะไปไหนให้ท่านบันบันเทนภาวนานั่งสมาธิให้มากๆากก็จะสามารถรู้ถึงความดีและความเชื่อได้รู้ได้ว่าถ้างหน้าเป็นยังไงอ้าหลังผ่านอะไรมาบ้างแล้วท่านก็จะสามารถพิสึกได้ด้วยตัวของท่านเอง ย้อมีคำสอนที่บนทึกเอาไว้ก็มีอยู่แล้วว่าผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองท่านยังเป็นผู้ที่มีโอกาสได้คิดจงคิดสักหน่อยเถิดก่อนที่เวลาของท่านนั้นจะหมดไปอย่ามัวแต่นึกถึงความสุขความทุกที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันเลย เราะนั้นยังทุกไม่เท่าการอายและหมดเวลาที่จะทำความดีแล้วให้ลองหันมาคิดเล่นๆสักหน่อยเถิดใช้เวลาน้อยๆที่มีอยู่นอกเหนือจากการทำกิจกรรมอื่นๆมาลองคิดดูฉันได้ทำความดีอะไรไว้บ้างแล้วหากส้นตาตอนนี้ฉันจะ ไปไหนให้พิธารณาตัวเองแบบนี้บ่อยๆครั้งฉันยังมีเวลาเหลืออยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนฉันคงจะไม่เป็นอมตะยู่บนโลกนี้หรอกให้เตือนใจตัวเองไว้เสมอจงเคิดสักหน่อยเถิดอย่ามัวแต่หลงอยู่กับโลกเลยชีวิตของคนเรา เกิดมาอาจจะมีความสุขอยู่บ้างแต่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเลยและยังเป็นสุขที่ปนเปื้อนอยู่กับความทุกข์เสมอท่านรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือเปล่ากับชีวิตที่เป็นอยู่และสิ่งที่เป็นอยู่หากใครรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ให้รีบหาทางการหยุการเปิดกานเถอ จะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกอีกพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เรายินดีต้อนรับทุกคนที่น้อมเข้ามาด้วยใจจริงพร้อมที่จะค้นหาความหลุดพ้นท่า น, นจงตั้งงั่นในการค้นหาตัวตนให้เจอว่าตัวท่านนั้นเป็นใครมาก่อนมีวิบากกรรมอะไร ที่ติดตัวของท่านมาบ้างเพื่อแก้ไขและลบหนี้กรรมนั้นแล้วให้ริบขวัขายบุญบารมีเอาไว้ให้มากมากเพื่อความหลุดพ้นจะได้เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองก่อนที่เวลาจะหมดไปการเกิดมาครั้งนี้ของท่านจะไม่เสียเที่ยวเลย น้อมเข้ามารับฟังคำสอนจากเราภูมิจิตของท่านก็จะเลื่อนจากการเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นภูมิจิตของกายเทพเทวดามีความเป็นทิศสูงขึ้นมาจากกายของมนุษย์จะไม่มีการแก่และการตายเกิดขึ้นในกายทิพเ์เพียงให้ท่านปฏิบัติตัว ให้อยู่ในศีลในธรรมและในกรอบของศีลธรรมบันเพ็ญปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างสมบารมีไปให้ถึงจุดสูงสุดและเมื่อสูงสุดแล้วท่านก็จะได้พบกับความหลุดพ้นเข้าสู่ยินแดงพรนิพานยินแดนแห่งความสงบสุขความสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเรา การเกิดอายก็อยู่ที่กรรมการกระทำสามารถที่จะเลื่อนภูมิจิตให้ไปสู่ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าได้หากท่านเป็นอีกหนึ่งดวงจิตที่บาดนาจะเดินตามเราท่านจะไม่หลงทางไปหน้าแท้คำสอนของศาสนาที่ได้บันทึกเอาไวา้ ไม่ทำให้ท่านหลงทางเป็นหน้าท้าสิ่งที่เราได้บันทึกไว้ในพระคำพิพก็เหมือนเป็นรากฐานของบริษัทแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็จะมีความมีอนใหม่ๆการนั่งสมาธิการปฏิบัติใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับการพัฒนาบริษัท ปุ่นไปเรื่อยๆโดยผ่าเทเทวนาและมนุษย์ตามกาลเวลาเส้นคันแตมีสิ่งเดียวที่ยังคงไว้อยู่เหมือนเดิมก็คือสิ่งข้อห้าที่ได้กันญัเอาไว้แล้วและหักสิ่งที่อ้างอาวะ ลองคิดเถอว่ายังไงก็คงเีแไม่เท่าการที่เรียนว่าตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นทุกครั้งเดียวแล้วจบไปดีกว่าต้องมาทุกอีกไม่รู้จักจบสิ้นและเราก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ช่วยการดูแลศาสนามา้วยตลอด หาบางครั้งท่านอักจะรู้สึกเป็นทุกข์แต่อย่าทุกข์เลยเพราะมีไม่กี่คนหรอที่ทำให้ที่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้และให้กดทนไว้เราจะคอยให้ความคำม้ำหนุนและให้กำลังใจท่านไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงผู้เดียวท่านยังมี เราที่คอยดูแลอยู่เสมอในใจของท่านมีพระพระก็จะอยู่ในใจของท่านเช่นเดียวกันรอบรอบกายของท่านก็จะมีพระบารมีทุกครองดูแลอยู่าลอดให้ล่างกายพ้นจากความทุกข์จากธรรมชาติเราขอให้กำลังใจกับทุกท่านเหล่านักบุญทั้งหลาย ทุกๆวันที่ตื่นช้าขึ้นมาให้พิจารณาร่างกายของตนไห่มีสติตในทุกการกระทาว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างที่เป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่โลกและให้รู้ทันมานกิเลตปัญหาทั้งหลายที่จะเข้ามาหลอกให้เราทำ เือให้มีสติที่จะผ่านพ้นกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้ผ่านไปได้ด้วยดีการที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั้นให้นั่งสมาธิน้อมถึงพระธรรมคำําสอนแล้วทําจิตใจให้สหดดงบนิ่งแล้วพักเงินก็จะมีกําลังใจและมีแรงที่จต่อสู้ อย่าที่ผ่านเข้ามาได้ให้ทำแบบนี้ก่อนจะเริ่มใหม่ก่อนจะเริ่มวันใหม่เป็นประจำเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญามีศีลมีธรรมก็จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดกฎของกรรมก็มีอยู่แล้วว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่ว ใจให้สงบให้เป็นสุขอยู่กับบุญกุศลเทพเทวดาล้อมรอบปกปักรักษาคุ้มครองให้พ้นจากคลอกกรรมภัอันตรายทุกอย่างที่ไม่ดีจะไม่เข้ามาในชีวิตของท่านอุญกุศลควรที่จะไ้ ความวจําเป็นเพราะการที่มีทรัพย์สินเงินทองมากเกินความจาเป็นก็จะทําให้ยึดมั่นถือมั่นและทําให้ตนนั้นติดอยู่และก็มีตัวอย่างให้เห็นเอาไว้อยู่บ่อยๆว่าบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่มีบุญอยู่ในใจ หาความสุขไม่ได้เลยต่างจากบ้างคนให้มีทรัพย์สินเงินทองซะจนมากมายหรือเป็นคนยากจนด้วยซ้ำไปแต่คนเหล่านั้นมีบุญอยู่ในใจก็สามารถที่จะมีความสุขได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทกให้เห็นแล้วว่าการสร้างสมบุญบรารมี คือความสุขอย่างแท้จริงและคือความพ้นควรที่จะสร้างสมเอาไว้ให้มากๆมากมากว่าทรัพย์งเงินทองทั้งหลายมากบุตทั้งหลายาทังเช้าขึ้นมาท่านจะต้องไปบินธาและคอยชาวบ้านเอาข อ, องมาถวายให้บ้างครั้งทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องมา หรือหลอกชาวบ้านทุกวันแล้วรู้สึกแย่ให้ท่านลองนึกทวนกลับว่าท่านปรัชนาทิ่จได้ของเขาหรือเปล่าหากท่านปรัชนาข้อเป็นจริงอย่างนั้นแต่หากท่านลองทวนดูแล้วท่านไม่ได้ปรัชนาสิ่งของของเขาก็แปลว่าท่าน กำลังทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอยู่กำลังช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นกำลังทำหน้าที่ส่งบุญและรับบุญให้กับคนเหล่านั้นเมื่อครั้งเราบินทบาบาเราก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันความรู้สึกของเราก็มีแวบขึ้นมาเป็นบางครั้งเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเรามานั่งพิจรารณาทวนเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้คำตอบแล้วเราก็ก็ทำให้เราได้รู้ว่ากำลังทำหน้าที่รับบุญและสมบุญช่วยเหลือคนอื่นอยู่จงเป็นสุขกับสิ่งที่ทำ จงอย่าเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่ควรเลยเมื่อเป็นทุกข์พระสิ่งใดก็โหมายมันให้เจอแล้วทาความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จงปล่อยวางให้มันผ่านไปเป็นธรรมดาคำกล่าวทั้งหมดนี้ฝากผ่านกุน nói, เอ็มน้อยเปรียบเสมือนดวงแก้วในนิพานผ่านไปสู่ท ทั้งหลายด้วยความที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือเราขอให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกภัยอุปสรร์ที่ผ่านเ้ามามวางทางกานทำความดีของท่านขอให้บุญที่ท่านสร้างสงมาทั้งหมดจงกลายเป็นสตินเงินทองให้แล้วขอให้สตินเงินทองจงกลายเป็นสะพานบุญส่งท่าน ข้ามาสู่ดินแดนความสมุกสุขแห่งนี้เือคงจะมีสักวันที่เราและท่านได้พบกันในดินแดนความสมุกสุกนี้ทั้งหมดนี้พ่อแดนพานมาจากละพูดทัดเจ้าที่หนุได้ไปข้าวปาและแต่ทอดออกมาเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมะทานให้กับ ทุกคนที่บาดเจ็บประปันธรมและบาดนา็บถลทนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนจงพบแต่ความสุขความหลุดพ้นทางตั้งแตที่ยังมีชีวิตู่และชีวิตหลัง